คือตั้งแต่หลังจากเจอหลวงตาเลยครั้งล่าสุด่ะคือถ้าจะมาส่งกันบ้านมันส่งไม่ได้เพราะมันจิตเปลี่ยนทุกวันเปลี่ยนเปลี่ย น, ยนในความรู้สึกของผมมันเปลี่ยน ครับมันเปลี่ยนตลอดเลยว่าถ้าแต่ไปเล่าย้อนหลังมันมันมันเราเล่าย้อนหลังไม่ได้เป็นทฤีครับก็คือปัจจุบันนี้ก็คือเข้าใจว่าใจใจนั่นแหละคือรู้คือมันเป็นแค่มันไม่มีผู้รู้นะฮะมันมีแต่รู้แล้วรู้นั่นแหะคือใจแล้วมันก็มีสิ่งที่มันมีขึ้นมาแต่เรียกว่าขันห้าก็ได้เรียกว่าสังขารก็ได้ มันก็เป็นข้างมาอย่างนั้นนะมันต่างฝ่ายต่างที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกันอ <Ừ. S 1> ใจก็ใจก็ทําหน้าที่รู้อย่างเดียวมันก็เหมือนมีมีเป็นความเข้าใจถ้าเรามีความเข้าใจอยู่ว่าถ้าเรามีมีสติเนี่ยต่างตางไอความรู้เนี่ยมันก็จะรู้แบบคือรู้ไปด้วยแล้วก็มีความเข้าใจไปด้วยในขณะจิตเดียวกันว่าไออฝั่งที่มันมีขึ้นมาเนี่ยก็เป็นของมันอย่างนั้นและไอฝั่ง <c oughs> ที่มันเป็นรู้เนี่ยมันก็รู้ข้างมนอย่างนั้น คือมันต่างฝ่ายต่างทําหน้าที่กันไปในตัวขันห้าเนี่ยมันไม่มีอไม่มีกิเลสไม่มีตัณหาไม่คือมันมันทํางานโดยที่มันมีอายตนะภายในภายนอกมากระทบกันมันก็เป็นเรื่องของขันไปไอ้ส่วนผู้รู้มันก็รู้ของมันงแต่ว่าเมื่อวานนิดหนึ่งว่าไอ้ไอ้ตรงไอ้อวิชามันติดอยู่ตรงไหนกันแน่เพราะในเมื่อขันห้ามันไม่ได้โง่ขันห้ามันเกิดมันเกิดขึ้นตามเหตุปัจจัย เพะฉะนั้นมันก็น่าจะอยู่ที่รู้เนี่ยแต่ผมว่ามานั่งพิจารว่าไอ้ในเมื่อรู้มันไม่มีอะไรที่จะไปทําความเข้าใจมันได้ละอวิชชาอยู่ตรงไหนก็เข้าใจเมื่อวานที่เข้าใจว่าไอ้นเราก็ต้องใช้ขันไหใช้ขันห้าหรืใช้สังขารเนี่ยสอนมันสอนอาวิชชามันไอ้สอนตัวตัวที่มันไม่รู้อ่ะว่าไอ้ตัวขันห้าเขาเป็นอย่างนั้นแล้วส่วนตัวรู้ก็รู้ซะว่าขันห้ามันไม่ได้เป็นอะไรมันยึดไม่ได้ แล้วก็ถ้ามีสติมันก็จะรู้มีความเข้าใจแบบนี้แต่ถ้าสติหายไปมันก็จะกลายไปเป็นขันห้าหรือไปเป็นหลงอะไรไปอย่างเงี้ยครับก็คือทางเดินตอนนี้ก็คือถ้ารู้ขึ้นมาคือมารู้รูแบบเบ็ดเสร็จจบไปแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรแย่ถ้ามาหลงก็ก็รู้ขึ้นมานะฮะคือไม่ได้ไม่ได้พยายา ม, มารู้ก็รู้ขึ้นมาอีกอ๋อเหมันกระ ล, ลึกขึ้นมาน ต, ตา่างๆ คือคือคอนณะัปปัจจุบันนี้เท่าที่สรุปได้มันมันเป็นอภรรษ์เนี่ยครับโอ้ของท่านเห็นทาไมไม่ไม่สังเกตจริงๆนี่มันละเอียดมากเลยเออไอของท่านเองโอ้ถ้าไ ม, ไม่ไม่ละเอียดจริงๆนะเห็นยากมากเพราะว่ามันที่ท่านกระจายมันถูกหมดแล้วละ่ะที่ท่านพูดมาเนี่ย แต่เวลาพอมันมันเข้าใจถูกแล้วบางทีเวลาขณะดจิตที่ท่านไม่ไม่ไม่หลงคิดไปนะไม่หลงไปดิดน้นหล่นบางขนาดจิตอ่ะบางขณะดจิตท่านหลงไปเป็นตัวเป็นไ ป, ไปเป็นจิตตะตองขานปรุงแต่งเป็นไปวิเคราะห์ไปวิเคราะห์สิ่งที่เกิดขึ้นหลงไปเป็นตัววิเคราะห์เลยไปดิดน้นหลนไปค้นห า, ไป ส, สห า, านไปสงสัยที่มีเครื่องหมายขึ้นชิมักในจิตไปสงสัย แล้วก็ไปประมวลผลคือไม่ได้เป็นผู้รู้ผู้เห็นไม่ได้เป็นผู้รู้ผู้เห็นจิตที่มันวิีกะดิลนลนค้นหาสงสัยประมวลผลข อ, ของท่านเนี่ยของท่านโ ด, นบบนนดนนยพงนะไม่ได้เป็นแบบว่ามันมันมันดิ้นลนหยาบหยาบนะไม่ได้เป็นแบบว่าเป็นลักษณะอาการของจิตที่ดิ้นลนค้นหาปรุงแต่งหยาบหยาบแต่เป็นลักษณะที่ว่ามันยัง มีการตรึกมีการตรองมีการวิเคราะห์วิจัยละเอียดละเอียดละเอียด ต, ต่างๆในในความรู้ความเห็นก็เข้าใจความรู้ความเห็นก็เข้าใจอะไรเนี้ยและประกอบกับมีความสงสัยสงสัยในการกระดับวิเคราะห์ไปก็มีความสงสัยละเอียดละเอียดอย่างเงี้ยนี่นี่นี่ขนาดจิตบางขนาดจิตแต่บางขนาดจิตพอมันแจ้งขึ้นมาแจ้งขึ้นมา อาจจะแจ้งกันมาด้วยรู้แจ้งกันมาด้วยิธีในการวิเคราะห์ทั้งรู้ทั้งเห็นทั้งเข้าใจหรือเกิดจากการวิเคราะห์แล้วทั้งรู้มันเกิดจากการรู้การเห็นการเข้าใจพอมันแจ้งกันมาปุ๊บจิตมันรู้แจ้งกันมาจิตมันรู้แจ้งกันมามันกลายไปเอาไว้ให้จิตที่รู้แจ้งเป็นตัวเรารู้แจ้งเห็นเห็นเห็นตรงนี้เนี่ยมันกลายเป็นว่าไปเอาจิตที่รู้แจ้งเป็นเรารู้แจ้ง คือมันจะมันจะเห็นตามหลังหลวงตาหลังจากคือที่อย่างเงี้ยที่ผมกําลังฟังหลวงตาแล้วพยายามตามความเข้าใจเนี่ยคือเออถ้าผมระลึกได้อย่างนัปัจจุบันเนี่ยนะผมก็บอกว่าสอนมันว่ามันเป็นสังขารที่กําลังทาความเข้าใจอย่างเงี้ยคือคือมันจะมีตัวเนี้ยเหมือนกับว่าถ้าเราลงไปทําเองเนี่ยคือมันมันไม่มีอิทธิพลและเพราะเรารู้แต่ถ้าขนาดเนี้ยเออผมกำลังเนี้ยคือปล่อยให้เป็นเรื่องของมัน ได้ไหมฮะคือเห็นเพราะเวลาฟังหรืออ่านเนี่ยหรือฟังเทพหลวงตาเนี่ยก็จะต้องทำความเข้าใจแล้วจิตมันก็จะอืมอืมอืมอะไรของมันอย่างเงี้ยนะครับก็คือเราเห็นมันแล้วก็เข้าใจมันแต่ขณะเจตที่มันแจ้งเนี่ยผมเห็นมาสองสาครั้งแล้วว่าเฮ้ยมันมันมือกับว่ามันปักหมุดแบบตัวนี้โอเคมันก็เลยกลายเป็นยึดได้มันก็แบบเออใช่นะพอใช่ปุ๊บเนี่ยมันจะกลายเป็นว่ามาเราเราไม่ได้เห็นว่ามันเป็น ไอ้ความรู้แจ้งมันแจ้งขึ้นมามันก็เป็นสังขารที่ปรุงแต่งขึ้นมาให้เรารับรู้รับร่าเพราะมันไม่ใช่ผู้รู้มันไม่ใช่รู้แต่มันก็เออแต่ว่ามันจะมามันเหมือนจะต้องมีดีเลย์ดีเลย์วะอ๋อแล้วความเข้าใจมันจะมาอีกทีหลังแต่ความเข้าใจนี้มันก็เป็นสังขารดิมันก็เหมือนกับไล่กันไปไล่กันมาอย่างต่างใช่ใช่มันอยู่ในขั้นตอนนี้ของท่าน่ะสองขั้นตอนเนี่ยสองที่ที่ที่บอกเนี่ยครับต้อจะต้องเจ๊รู้เห็นได้วยใจของมันเองตรงนี้ละเอียดมาก ถ้ารู้เห็นแล้วก็ต้องฝึกฝนออกไปเปลี่ยนเปลี่ยนที่จะรู้เห็นมันรู้ต้านมันไปคือไม่ได้ไปไล่ดับมันไล่ม่ได้หรอกเพี่ยนแค่รู้เห็นว่ามันเป็นสังขารเป็นติภูตแต่ ง, งก็จะไปวางไปได้เพราะว่าไอ้ขั้นตอนที่มันกระโดดเข้าไปลงไปกระโดดเข้าไปเล่นเป็นผู้วิเคราะห์วิจารณ์วิจัยติดตอ่อใครควรประมวลผลเนี่ยมันก็มีสงสัย ในนั้นนิดแล้วก็วิเคราะห์สงสัยอาความวิเคราะห์สงสัยมาวิเคราะห์ใครควรประมวลผลนย่างเงี้สลับกันไปเรื่อยๆไปตัวนี้ก็คือกระโดดลงไปเล่นไปคลุกเหมือนกับว่าลงไปคุกฝุ่นเองลงไปคุกกระโดด ล, ลงไปขี่คนเลยอย่างเงี้ยถ้าเห็นไอ้ธาติกายาการของการใครควรวิเคราะห์วิจารณ์วิจัยประมวลผลแล้วก็รู้แล้วก็เออแต่บางทีมก็มีรู้แจ้งมาในนั้นเลยมันก็มีรู้แจ้งมาในในขั้นตอนบางขั้นตอนน น, นั้นเลย แต่ทั้งหมดนี่ยทั้ง ไ, ไอ้การรู้แจ้งทั้งการวิเคราะห์วิจารวิจัยค่ควรประมวลผลทั้งมีความสงสัยในนั้นแล้วก็เลยเอาความสงสัยนั้นมาวิเคราะห์วิจารวิจัยประมวลผลอย่างเงี้ยสลับไปมันก็ต่อต่อไป เ, เรื่อยๆอันเนี้ยมันก็บางทีก็รู้แจ้งไว้ใน น, นนั้นน่ะทั้งสองสภาวะเนี่ยทั้งการวิเคราะห์วิจารวิจัยทั้งการประมวลผลใค่ควรและการรู้แจ้งมันก็เป็นสังขารปุงแตง่งเป็นจิตปุงแต่งอันเนี้ยไอ้จิตปุงแต่ง มันไม่ใช่เป็นเราเป็นตัวเราเป็นตัวตัวของเราเพราะมันชื่อมันเราบอกแล้วปรุงแต่งมันเป็นของไม่เที่ยงเคยแล้วก็ดับไปเปลี่ยนไปรู้แจ้งแล้วก็ดับไปไหาไปเปลี่ยนไปเราไม่ไม่สามารถรักษาสภาวะรู้แจ้งไว้ได้แล้วก็คือรู้แจ้งแล้วก็ก็เห็นว่ารู้แจ้งเป็นจิตปรุงแต่งมันก็จะวางไปเองหมาว่าความรู้แจ้งก็เป็นสังขารแล้วจิตปรุงแต่งก็วางไปมันจิตมันก็จะวางมันเองถ้าเห็นว่าเป็นสังขารแล้วจิตปรุงแต่งกับวิเคราะห์วิจารณวิจัย ใครควรประมวลผลตึกทองสงสัยต่างๆก็เห็นว่าเออมันเป็นมันนเป็จิตสังขารเป็นความปรุงแต่งมันก็จะวางมันไปเองเนี่ยไม่มีอะไรหรอกก็แค่เห็นมันแค่นี้ยเห็นเหหห็็็นนนเเเพื่ออะไรไม่เห็นเพื่ออะไรเห็นเพื่อปล่อยวางเห็นเพื่อปล่อยวางไม่ได้เห็นเพื่ออะไรเลยเห็นเพื่อปล่อยวางแต่มันมันต้องเดินหน้านี้อยู่แล้วเพราะได้ฟังเข้าใจผมคือว่าเวลาฟังทําอะไรจริงจะต้องทําอย่างเนี้ยแต่เราเห็นมันชัด แน่นะเราไม่ได้ไม่ได้ห้าม ไ, ไม่ได้ไปอะไรเลยก็คือมันก็ต้องทําท่าตึกวิเคราะห์วิจัยใช่ใชถูกต้องเป็นทางผ่านทางผ่านทีนี้ผมขอกลับเป็นถามใต้อย่างจําหวะถ้าไม่ได้ฟังทําไม่ได้วิเคราะห์วิจัยวิจัยเวลาเราใช้ชีวิตปกติเนี่ยเหมือนกับว่าผมจะเข้าใจเป็นความรู้ออกมาไม่รู้รแบบปงขึ้นมาว่าไอเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเป็นสังขารคือเหมาวรวมไปเลย คือมันไม่ได้ใช้ความคิดอะไรไปทําไปทํานู่นทํานี่ทำอย่างนี้คือเหมือนกับว่าไอเนี่ยมันเป็นเป็นการขยับตัวเป็นการทํางานของสังข์สังขารทั้งหมดอันนี้ได้หอเปารก็ได้ขอให้ใจมันมันมันรู้สึกทุกอย่างเป็นสังขารหมดการขยับกายขยับปากขยับกายคือกิดยาการการคิดการคิดจะพูดการจะทําอะไรทั้งหมดเลยคือคือถ้าเราไม่ได้ไอไอตัวนั้นหมายถึงเราอยู่คนเดียวบ้างบางทีเราฟังว่ามันก็จะทำงานทำงานแบบจิ๊กจิ๊กแต่ในชีวิตประจําวันเนี่ย คือเราก็เหมือนกับว่าคล้ายๆโยนิโสโดยที่ว่าเห็นมันเข้าใจมันว่าอ๋อเนี้มันเป็นสังขารนะอะไรพวกเนี้ยตลอดเท่าที่เท่าที่บบเอ้ยท า, ทามากเกินไปเหมือนกันเราก็ลงไปควบขุนมันดีเอยออกมาเราก็ค่อยๆรู้ <ๆ S 1> ามาันไปอย่างนี้แม้แต่ควบขุนถอยออกมามันก็เป็นสังขารทั้งหมดนั่นแหละคือทุกอย่างที่มันขยับตัวได้นึกคิดนึกจะพูดอะไรพวกเนี้ยคือผมใช้วิธีเนี้ยทั้งหมดอะกายขยับปากขยับจิตขยับสังขารั้วยกันเนี่ย คือสอนมานะฮะต่างๆได้ได้ไม่ได้ใช่ว่าเราจะนั่นมันอยู่ที่ว่าเราเห็นกายขยับปากขยับจิตขยับเราเห็นว่ามันเป็นสังขารครับแต่ไอผู้เห็นขยับไมถ้าไอผู้เห็นขยับได้ก็ไอผู้เห็นก็ไปขยับไม่นจะมีตัวตั้งนะฮะไอตัวตั้งก็เป็นสังขารไอเห็นตัวนี้ด้วยก็เห็นครก็เห็นได้กายมันขยับเป็นสังขารปากขยับเป็นสังขาร ไอ้จิตมันมันขยับคิดขยับนึกขยับตึวระยับตองขยับปรุงแต่งขยับอะในลักษณะอะไรก็ได้แต่มันขยับตัวไว้ตัวขึ้นมาเราเห็นเป็นสังขารหมดเลยแต่เราต้องดูด้วยนะว่าไอ้ผู้ดูผู้รู้เนี่ยมันเป็นตัวขยับเป็นตัวตั้งมันมีตัวตั้งแต่ทั้งนี่รู้ป็นสังขารน้อยน้อยเขาบอกว่าไอ้นี่สังขารสังขารสังขารทั้งหมดก็ทิ้งไปหมดจะเป็นสังขารเ็นของปรุงแต่งเป็นของไม่เที่ยงเป็นของที่ไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราไม่คมันต้องตั้งขึ้นมาหน่อยหนึ่งเพื่อ จะโยนิโสอย่างเนี้ยะแล้วก็คืออันนี้ก็คือมันก็ถ้ามันเป็นสังขารที่เราเรียกมั่แต่สังขารเราเรียกโยนิโสขึ้นมาตั้งมันโยนิโสขึ้นมาก็เพื่อละสังขารแต่เราถ้าเรารู้สึกว่าอโยนิโสเนี่ยมันเป็นเครื่องมือที่มาใช้ตัวมันก็เป็นสังขารมันจะไม่เปยึดโยนิโสหรอกอพรามเป็นเครื่องมือไงเราจะไม่ไปยึดเครื่องมือหรอกเพราะเราเห็นโยนิโสเป็นเครื่องมือที่มาใช้เพื่อเพื่อเห็นสังขารละสังขารปว่าสังขารเราจะไม่ยึดสติสมาธิปัญญาค ม่เยอะในเครื่องมือโยนิโสมณสิการเพราะว่าพวกนี้เราเป็นมันเป็นสังขารก็จริงอะแต่เป็นสังขารที่เป็นเครื่องมือที่อยู่มาใช้เพื่อละสังขารคือในความรู้สึกเหมือนกับว่ามันสามารถได้รู้คิดมาได้ง่ายๆไม่ต้องไปรักษาไม่ต้องอะไรไวพร้พอเอ๊ะก็ไน้ึกขึ้นมาหน่อยหนึ่งล้วก็มันก็เข้าใจเหมือนกับว่าแต่ในขั้นในโยนิโสมณติการเนี่ยคารู้รับปล่าปวางขั้นโยนิโสขั้นบอกปอนจิตใจตัวเองมันจะเป็นขั้นปรุงแต่งมันจะเป็นขั้นการฝึก ฝึกอยู่จะแค่เป็นการฝึกแค่ บ, บอกสอนมันทีอย่งในขั้นที่บอกว่าบอกสอนลูกหมาลูกแมวแต่มันยังไม่ไม่สามารถทําได้เองสอนลูกหมาลูกแมวให้มันเชื่องหรือสอนลิงให้มันแสดงอะไรมันอยู่ในขั้นฝึกสอนฝึกฝึกลิงให้แสดงละครลิงนี้มันนี่อยู่ในขั้นสอนอย่างขั้นฝึกสอนใจตนเองไม่ให้ไปยึดมันมันเป็นสองอะไรเาเรียกว่าการใช้ชีวิตนะฮะถ้าถ้าเรา ปิดตัวมากับคนชนิดหนึ่งไอ้ตัวนั้นเราเราก็สามารถที่จะไอ้ถ้าเรียกว่าความรู้เห็นความรู้มันอ่ะมันไม่ต้องใส่แต่ถ้าในที่เรากําลังต้องไปกระทบเนี่ยเหมือนกับตรงนี้ที่เราจะต้องเลี้ยงมันขึ้นมาหน่อยหนึ่งหรือว่าหลวงจาว่าก็ปล่อยมันไปเลยก็อยู่ที่ว่าเราโยนิโสนมันรัติการวันทุกอย่างเป็นสังขารไอ้ที่มันมีกริยาการที่ว่ากายกับเพื่อมปากกับเพื่อนใจกับเพื่อม หรือจิตกระเพื่อมจิตมันกระเพื่ อ, อมในลักษณะอะไรก็ตามมีกิริยาการมอะไรก็ตามเป็นความคิดความนึกความตึกความตองแม้แต่ความรู้สึกแม้แต่ว่ากระเพื่อมคือว่าเป็น loo, <c oughs> เราเราเราอย่างนั้นเราอย่างงี้เร า, า น, น่าจะอย่างงั้นเราน่าจะทํางี้เราน่าจะรู้เห็นอย่างงี้เราน่าจะมีความพยายามนี้อะไรเงี้ยตามเป็นเราเราเราเราู้สึกเป็นเราต้องไม่เห็นเราเห็นเป็นสังขารหมดเป็นสังขารพึ่งสารในขนาดนั้นน่ะเราเราก็โดยโยนที่สมัครในการที่เราทํามาจน จะมันแนบใจเลยว่าทุกอย่างอ่ะสังขารทั้งหมดไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเรามันก็จะวางไปเลยเพรเห็ุมันสังขารขยับขึ้นมันก็จะวางไปเจอทั้งไอ้ไอยนิโสมริกาเนี่ยมันกลายไปเป็นใจเราที่รู้สึกอย่างนั้นออกมาจากใจจริงๆว่ามีอะไรก็ไม่มีอะไรก็สังขารดังนั้นเนี่ยไม่มีใจไม่เข้าไปยึดเลยแม้แต่ดูเตชันบอกแม้แต่ผู้รู้แจ้งแล้วยังเป็นสังขารเลยเพรานี่อย่างื่มไม่เหลือแล้วจนขณะผู้รู้แจ้งยังเป็นสังขาร มันแป๊บเดียวมันแจ้งแป๊บเดียวมันก็ลงตีสังขารนันคือไม่เข้าไปยึดกัไม่มีพอเห็นว่ามันเป็นสังขาร ก, ก็ไม่มีผู้ก็ไปยึดปูรูจจ้แจ้งมันก็จะไม่มีตัวตั้งสรุปแล้วคือมันไม่มีตัวตั้งขึ้นมามันจะไม่มีตัวตั้งมาดูมา ร, มารู้มาเห็นมายึดแต่ตอนนี้ของท่านเนี่ยมันจะมีตัวตั้งขึ้นมาดูตั้งมารู้ตั้งมาเห็นตั้งมาพยายามบอกสอนแล้วก็พยายามตั้งขึ้นมาเพื่อความปล่อยวาง มันยังมีตัวไอ้จิตปรุงแต่งที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยของท่านเนี่ยยังมีอยู่แล้วก็ไอ้ตัวเนี้ยที่มันตั้งออกมาจากภายในใจของท่านลึกๆเนี่ยมันตั้งออกมาเป็นละลอกละลอกละลอกเลยไอ้ตัวตั้งของท่านเนี่ยคือตั้งมาทําความเข้าใจของท่านครับเป็นเป็ น, ปนตัวตั้งมาทําความเข้าใจทำความเข้าใจแล้วก็เพื่อรับปล่อยวางเพื่อเห็นว่าเป็นสังขารรับป่อยวางนั่นเนี่ยถ้าต้องเห็นว่าไอต้ตัวจิตตัวตั้ง ตั้งออกมาในใจ ใ, ใจของท่าลึกๆเนี่ยตั้งเพื่อมาทำความเข้าใจเอี่ยตัวนี้เป็นตัวสังขา ร, ค, รคือรู้สึกว่ามันเหมือนกับเป็นยังไงฮะเหมือนที่พิงตรงตัวต้นทนะี่ที่พิงสังขารที่พิงของใจที่พิงของความรู้ครับทีแล้วก็ทําความเข้าใจกับมันว่าถ้าว่าจะต้องทําไงแต่ตาหลังก็คืออ๋อคือเห็นมันเป็นสังขารใช่แต่ทีนี้มันเหมือนกับว่ามันมีค่านิดๆหนึงว่าไอ้ตัวนี้ทําไมมันมีตลอดเวลาเหมือนก็บตื่นขึ้นมามันก็มีตลอดเวลาเลย แล้วก็เห็นมันถ้าเห็นตัวเนี้ยถ้าเห็นตัวเนี้ไปปุ๊บเออมันก็มันก็ว่าแจ้งไปนิดนึงแล้วมันก็ตั้งอีกแจ้งไป้นึก็ตั้งอีกคือตอนนี้เหมือนกําลังแบบเอาเถิดเจ้าลอบอะไอตัวไอตัวพิมพ์เนี่ยที่เห็นตาบอกให้คอยพิรา่อยๆเป็นความรู้สึกตัวที่มันมันไม่ยอมทิ้งเนี้ยแต่บอกเออค่อยๆมันมันต้องมีเหมือนกับมันก็เราจะจดปากกาไนิดหนึ่งมันก็ต้องแบบเน้นไปนิดหนึ่งมันเน้นติ๊กแล้วก็เออแล้วตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ เป็นตัวที่เริ่มทุกอย่างขึ้นมาแล้ก็เออคือก็แต่ว่าเข้าใจผมเข้าใจว่าก็ใช้วิธีเดียวกันคือเห็นเป็นตังคานใช่ใชเห็นว่าเป็นสังคารคือถอดตรงนี้ถอดจากตรงนี้ไปรู้สึกมันไม่มีอะไรแล้วที่ ท, ที่มันจะตั้งขึ้นมาอีกคือถอดจากตัวตั้งใช่ไหมครับาจารคล้ายๆกับว่าคือผมยังไม่แจ้งตรงเนี้ย <laughs> หรือว่าอย่างนี้จตาคือพอสางตายจิมผมก็เข้าใจแล้วแะแต่ว่าคือเราใช้ความเข้าใจใช้ปัญญาใช้สัมมาทิฏฐิได้มาคือว่ายกจริงเลยเหมือนกะหยุดอ่ะหยุดการทำงานของมันคือมันมีความพยายามอยู่ลึกๆที่จะทำอะไรคือเนี่ยหลายวันเนี่ยใช้หลายรูปแบบบางทีที่คือบางครั้งที่ให้เขาช่วย พยามนี้ผมบอกว่าผมไม่เข้าใจเขาบอกว่าไม่ใช่ให้สุรพงศ์เข้าใจง่ายท้องเลยมันก็เป็นขนาดหนึ่งฮะแล้วมันก็จะอย่างนี้อีกคือคือช่วยกั น, นเวลาเขาจะช่วยพอเริ่มก็จะปอกอย่างเงี้ยเหมือนกับลึกๆก็คือมันกลัวที่จะไม่รู้ <laughs> ตรงนี้เนี่ยเรามคันในตรงที่ว่าแท้จริงไอ้ที่ท่านพูดไปทั้งหมดเนี่ยลึกๆกลัวเราจะไม่รู้แล้วก็ไอ้ที่ท่านใช้ความพยายามทั้งหมดเนี่ยในใจของท่านลึกๆเนี่ยมันมียังมีความพยายามที่มันซ่อนเลนไว้แต่จริงอ่ะมันมีความรู้สึกว่ามีตัวเราอยู่การพยายามทั้งหมดทุกอย่างเพื่อตัวเราไอ้ตัวเราที่มันเห็น อย่างอื่นมันเห็นได้แต่ไอตัวนี้มือเหมือนกับอกว่ามันมีความไม่มีไอตัวนี้ไม่เห็นได้เลยแต่มันสามารถที่จะพอบอกแล้วมันรู้ได้ป่ะครับมันมีในใจจริงๆริแต่เราจะไปไปมองไปสังเกตมันเลยมันไม่เห็นเพราะไม่แสดงอาการออกมาเลยแต่พอบอกแล้วรู้ว่าเราทําทุกอย่างเนี่ยเพื่ออะไรสักอย่างก็เพื่อตัวเราเนี่ยแหละถ้าไม่มีเพื่อตัวเราเราไปทำอะไรเราไปทำเกลียร์ยารู้ลาบปล่อยวางทําไม คือมันใช่เนี่ยฮะสติเนี่ยมองหาลงไปไม่ได้ได้แต่รู้ผลว่าเฮ้ยมันก็จะจะวนกลับมารูปเดิมใช่ใช่ใชคือมันมีตัวเราอ่ะมันมีมีตัวเราอ่ะไปยืนพื้นไว้ในใจลึกแต่ไปดูไปรู้ไปเห็นมันพยายามไปหามันไม่มีไม่เจอหรอกแต่พอบอกเข้าเนี่ยมันมีจริงๆนิคือเราไปทากิจยางนันทำไมไปพยายามไปดิ้รนไปค้นหาม พยายามถามถามถามหาเขาก็ใจอะไรเงี้ยเดี๋ยวก็ถามหน่อยที่ถามมาทั้งหมดเนะี่ยเพื่อใครอ่าจริงๆริงเลยเราไม่สามารถจะเห็นมันได้แต่เออที่ผมถามมันต้องบอกก็เพื่อตัวผมตัวเราตัวผมนะเนี่ยเนี่ยไอตัวนี้ฮนะมันถ้าไม่มีตัวเนี้ยจบเลยคือมันก็มีแต่กริยาการในปัจจุบันที่เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยมันแท้ จ, จริงในปัจจุบันแล้วมันก็ดับไปเองในปัจจุบัน เป็นกิริยาการที่มันเป็นกิริยาการตามเหตุปัจจัยแต่แท้จริงที่แท้จริงที่เป็นธรรมชาติจริงๆในขณะกระทบในปัจจุบันนั้นตาหูจมูกจีนกายใจแล้วเกิดขึ้นมาเองแล้วก็ดับไปเองมันก็ไม่มีการพยายามวิเคราะห์ดิ้นรนค้นหาลุ้เท่าทันหาเหตุหาผลพยายามประมวลผลพยายามหาข้อเข้าใจทั้งหมดเนี่ยก็ถามก็โอเคจริงอะกิริยาการพฤติการพฤติแห่งจิตแต่พฤติการมห่งจิตอย่างนั้นทำมันต้องผนเพื่ออะไร เพื่อตัวผมลึกๆผมกลัวผมยังไม่กระใจลึกๆผมยังไม่บรรลุนิพพานลึกๆตัวผมยังไม่บรรลุนิพพานผมรู้ว่าตัวผมยังไม่ลึกพ่านผมจะเอาอย่างนี้ก็เพื่อตัวผม่จะบรรลุนิพพานไอา้นี่ตัวปัญหามันอยู่ตรงนี้อวิชาตัวนี้แหะไอ้ที่มัน <S <S <S ตัวผมมันไม่มีไงตัวผมตัวผมะมันไม่มีมันเป็นธรรมชาติที่เป็นใจอะที่ไม่ปรุงแต่งมีเป็นวิสังขารเป็นอสังขตธาตุที่มัน มันมีอยู่แล้วเป็นใจของคนของสรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมันมีอยู่แล้วในในพุทธเจ้าในพระอรหันต์สรรพสัตว์ทั้งหลายแล้วก็มีขันธ์ห้าที่ปรุงแต่งมันก็มีสองอย่างคือธรรมชาติที่ปรุงแต่งคือขันธ์ห้าคือธรรมชาติที่ปรุงแต่งไม่ใช่มันไม่ถือว่าไม่ได้ไม่ถึงว่าไปยึดขันธ์ห้าแล้วขันธ์ห้าไปไปยึดนุนยึดนี่ที่เป็นกิเลสนะคือธรรมชาติที่ไม่ยึดอะแต่ขันธ์ห้าก็ยังมีชีวิตอยู่ก็ยังต้องกุดดุ๊กกุดดุ๊กกุดดุ๊กกุดดุ๊กกุดดา ส่งต่อเจนสติกวิทยาาสัญญาสังขารทุกจุกจุกกระดุกกระดิ๊บกระดิ๊บกระดิ๊บในใจเราเนี่แหละแต่มันไม่าด้ไปกิเลสอะไรคือมันไม่มีการยึดก็ไม่มีกิเลสอันนี้ยังมีอยู่อ่ะยังไม่ตายเนี่ยหน้ายังไม่แตกดับแล้วก็ธรรมชาติของใจที่เป็นวิสังขารหรืออสังขารธาตุที่ไม่มีตัวตนหรอกมีแต่ความรู้มีแต่ความรู้รู้อะไรอ่ะก็รู้ว่าไออาการกระดุกกระดิ๊บกระดุกกระดิ๊บมันก็เกิดมันไปมันก็เกิดเองดับเองมันไปอย่างนั้นแหละแต่ใจอ่ะมันไม่เกิดดดไไไมมม่่ัับป้ววยใจีตตน ไม่มีรูปร่างไม่มีอะไรเลยแต่ไม่มีใครเป็นเจ้าของใจไม่มีไม่ไม่ไ ม, ไ, ม ไ, ม higher, ไม่มีใครไปยึดใจแล้วก็ไม่มีใครไปยึดขันหน้าแล้วก็ตัวเราก็เลยไม่มีมันก็มีแต่ความรู้ว่ามันก็ใจเป็นมดลูกของผู้หญิงอะ่ะแลใจก็เปลี่ยนเป็นคันหรือมดลูกผู้หญิงแล้วก็รู้ว่าเด็กกำังเกิดตอนนีนนน้ก็ดุ๊กด็๊กดิ๊กดิ๊กเด็กก็คือขันหน้าก็ารต้องขันหน้าก็ดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กนุ๊กดิ๊กแล้วก็คลอดออกไปก็ดุ๊กดิ๊กดุ๊กคลอดออกไปแต่ใจก็ไอไอไอ <Choose who S 2> <themselves> มันก็ไปคลอดออกไปอ่ะมันก็คงพอตายแล้วไอ้ไอ้เด็กที่มาคลอดคือขาหน้ามันก็เลิกมาคลอดแต่ไอ้ใจก็คงเป็นใจเป็นอมตะมันเป็นธาตุอมตะคือท่ากว่างอมตะเมิร์ก็เลยสรุปแล้วมันไม่มีตัวเราที่ในใจและไม่มีตัวเราในขาหน้าที่มีกิเลสอ่ะที่ท่านบอกเอ้ยเราเป็นพิณาแล้วกิเลสมันีอยู่ตรงไหนว่าขาหน้ามันไป็นกิเลส ไ อ, อ้ตัวใจแท้แก็ไม่หรือไอ้จิตแท้แหรือวิญญาณแท้แที่มาเกิดก็ไม่มีกิเลสและกิเลสติดมาจากตรงไหนว่าอะไรเนี่ยคือความที่แต่ความหามลงยังมีอยู่ไปยึดหลงว่ามีตัวเราอ <า S 1> มันไม่มีแค่ขันห้ากับกับไอ้ไอ้จิตเดิมแท้หรือใจแท้ที่มันเป็นประชาติที่มันได้แต่รู้อย่างเดียวตัวตนไม่มีแต่ก็ทั้งในทั้งสองอย่างเนี่ยทั้งในขันห้าที่เป็นธรรมชาติปรุงแต่งกับไอ้ตัววิสังขารกับอสังขารธาตุที่เป็นใจหรือจิตเดิมแท้หรือเป็นวิญ ญ, ญ, ญาณธาตุดิ มันเป็นของไม่พวงแต่งจริงมันไม่มีใครเป็นเจ้าของไม่มีตัวตนถ้าเราไปยึดมันเป็นเป็นเราเป็นเราเป็นเราเป็นตัวเราจริงๆเป็นตัวปตนเราจริงแม้แต่ไปยึดใจแต่ในเก็ทุกข์อีกไม่พ้นท <mm ุกข์ได้คงปล่อยเป็นธรรมชาติของใจที่ไม่พวงแต่งได้แต่แค่รู้ว่ามีความเกิดดับอยู่ในความไม่เกิดดับมีความเกิดดับอยู่ในใจที่ไม่เกิดดับก็รู้แค่เนี้ยอาะไรต่างๆก็อยู่กับรู้อย่างเงี้ยว่ามีความเกิดดับอยู่ในใจที่ไม่เกิดดับไม่มีใครไปยึดอะไร สิ้นดอย่างเดียวเลยสินกิเลสสิ้นสินอวิชชาสิ้น ต, ต, ตัวตนนี้มันยึดอยู่นะหลงยึดว่าเรามีตัวเราเลยท่านก็เลยยังมีพฤติกรรมที่แสดงออกได้คือมีการดิ้นหลน่นมีการค้นหามีการพยายามมีการวิเคราะห์มีการพยายามทำควาเข้าใจมีการพยายามรู้ละปล่อยวางมีการกลัวว่าเราจะหลงมีการกลัวว่าเราจะไม่รู้มีการดิ้นหล่นเพื่อช่วยตัวเราให้พาตัวเราไปรู้นิพพานเนี่ยตรงนี้สําคัญคือ มันมีการพยายามดิ้นหลนเพื่อจะช่วยตัวเราให้ไปรูปณิพาน์มันไม่มีตัวเราไปรู้ปณิพาน์ข้างนอกเพราะว่ามันมีเข้าถึงความจริงที่ขันหน้าทางานแล้วก็ใจมีแต่ความว่างเปล่าเหมือนคันหรือม้นลูกของผู้หญิงแล้วก็มีไอ้ขันหน้ากิริยาการมาเด็กมาเกิดใขนขันแล้วก็ออกไปแค่นั้นนะธรรมชาติมีแค่เนี้ยแล้วก็คู่กันเป็นธรรมชาติอย่างเงี้ยคนยึดไม่มีคืออันนี้มัเป็นความเข้าใจมันเป็นสัมมาทิฏฐิใช่ไหมครับเออเป็นสัมมาทิฏฐิต้องเข้าใจอย่างเงี้ย เป็นสมาธิจินครับแต่ว่าตรงตาก็บอกว่าต้องให้เปลี่ยนเห็นพวกนู้นพวกนี้นี่นี่คือเห็นเห็นเห็นเห็นเห็นเห็นไปแล้วเนี่ยใช่ไหมฮะพออพอพอปฏิบัติมาตินจุดจุดหนึ่งเนี่ยคือมันต้องมันต้องหยุดต้องหยุดแล้วางหมดเพราะในไม่มีเราเรจะไปทําอะไรเพื่อใครก็วางปล่อยมันก็อเองดับเองใจเนี่ยเป็นผู้หยุดแต่ขนานายยังคงทํางานหยุดไม่ได้แต่ใจเนี่ยเป็นธรรมชาติที่หยุดไม่ปรุงแต่ง หยุดพุ่งแต่งคือในความรู้สึกผมคือว่าเห็นเปียนรู้ทุกอย่างหมดแล้วเนะี่ยมันก็ไม่ได้หลุดออกไปจากที่หลวงตาสอนนะคือความจริงเออมันมันก็ประจักษ์แก่จแล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงจริงแล้วก็ยังก็เราก็ยังขยันอยู่อันนี้เรายังอืมอเราไม่หยุดหยุดที่ให้ธรรมชาติเขาเป็นหยุดหยุดที่ใจจบที่ใจก็มีอะไรเลยมาต้องการความรู้เขาเอาใจอะไรเลย ผมเข้าใจมาหมดแล้วไงไม่ใช่ไม่เข้าใจเข้าใจมาหมดแล้วว่าอ๋อมันก็มีใจที่หยุดกับขันห้าที่กระดุกดิบผมมันไปเรื่องมันไม่มีไม่มีตัวเราไปทําความเข้าใจคือเราเข้าใจมันต้งหมดกับต้องการนะว่ามันมีแต่ใจกับมีแต่ขันห้าอ๋อแต่ขันแต่ใจต้องหยุดแล้วขันห้าเป็นหน้าที่ทํางานกระดุกกระดิบกระดุกกรดิบมันไปแต่นี้มันมันกลายเป็นว่าไอ้ความเข้าใจมันไม่หยุด มันทํความเข้าใจไม่หยุดนี่เนี่ย <c oughs> คือมันเอาความเข้าใจเนี่ยเป็นทางให้ไปถึงอะไรสักอย่างเพื่ออะไรสักอย่างใช่ใช่แต้องมันก็เลยเพราะไอ้ น, นี่นะี่ยเพื่อไปถึงอะไรก็เพื่อตัวเรา <c oughs> <c oughs> เพื่อไอ้ตัวเราไปถึงวิถีพานเพื่อไอ้ น, นิพพานมาเป็นมา ก, กมาเป็นของตัวเราทั้งที่แยกแยกแล้วเราหาไม่เจอเลยักที่หนึ่งแต่เออมันตอนอยู่ได้จริงๆที่ดวงตาว่าคือมันไม่ปรากฏตัว <c oughs> ต้เห็นเดา แล้วมันก็อดูเห็นมันก็ใจมันแล้วก็วางหมดเลยอ๋อมันไม่มีใครไปถึงอะไรไม่มีใครไปเป็นอะไรมันมีแต่ใจที่หยุดกับขันห้าที่กระดุบกระดิบแค่เนี้ยเข้าใจมาทั้งหมดเพื่อแค่ตรงนี้เองเพื่ออะไรเข้าใจมาเพื่อให้วางวางความหลงวางเข้าใจมาทั้งหมดเพื่อให้วางวางความหลงอย่าไปทาอะไรจะไปเอาอะไรตัวเราไม่มีจะเอาอะไรมีแต่ใจที่หยุดกับ ขาน่าหรือจิตที่ปรุงแต่งใจที่หยุดปรุงแต่งกับขาน่าที่ยากปรุงแต่งก็รอดั่กว่าขัน่าจะสิ้นอายุไขขาน่าก็ดับไปไอ้ส่วนปรุงแต่งก็ดับไปแต่ใจมันไม่ปรุงแต่งแล้วไม่เกิดไม่ดับมันก็มันก็เป็นธรรมชาติที่ไม่เกิดไม่ดับตายแล้วก็มันเกิดไม่ดับเป็นอมตะที่อธิบายมาสอนไปทั้งหมดแล้วเพื่อให้เขาถึงจุด น, นี้และวเขาถึงใจที่สิ้นความปรุงแต่ง แล้วจะด้ลนไปค้นหาอะไรจะไปเอาอะไรไปทําอะไรเพื่อให้เป็นอะไรอธิบายมาทั้งหมดแล้วไปตายก็เพื่อมาถึงใจที่หยุดปรงแตง่งก็มาถึงใจที่หยุดปรงแตง่งที่ท่านบอกว่าพบใจพบธรรมถึงใจถึงพระนิพพานก็มาถึงใจที่หยุดปรงแตง่งนี่แคนี้ก็จบเลยละหายเหนื่อยเลยหยุดหยุดก็ได้ครับ <laughs> เห็นไหหายเหนื่อยไหมอ็หายเหนื่อยเลยเว้นเดินทางมายาวไกลเอากินน้ำซะหยุดหยุดกินน้ำเย็นซะให้ชื่นใจเออหายเหนื่อยเลยเห็นไหมมึงก็บอกแล้วพระพุทเจ้าไปนั่งรอใครที่เดินทางมายาวไกลแล้วไปนั่งรอดักใต้ต้นไม้เดินทางมาไกลมากแล้วหยุดหยุดพักใต้ต้นไม้นี้หยุดซะ หยุดหยุดพักตายต้นไม้กับพระองค์ที่หยุดแล้วก็บรรลุอาราหารันต์แเป็นแถวมันเดินทางมายาวไกลเป็นแสนแสนกับอ น, นันต์เกิดตายเกิดตายอนันตการหยุดกับพระองค์ที่ตายต้นไม้ตายต้นโพหยุดเดินทาง หยุดเดินทางก็คือหยุดดิ้นรนแสวงหาหยุดคนควาหยุดอยากถึงอยากได้อยากเป็นหยุดอยากรู้แจ้งไปกิ่เด็ดเท่นั้นตัณหาทั้งนั้นไม่หยุดตัณหาไม่ดับมันก็มีคนหยุดจริงหยุดไม่จริงพอหยุดเพราะอาจารย์บอกให้หยุดเสียวกลับไปกระโดดอีกระโดดโลดเต้นต่อเองกไม่ยอมหยุดจริงอ มันต้องหยุดด้วยคการเข้าใจเดี๋ยงั้นบอกบอกว่าหยุดด้วยการเข้าใจเดี๋ยงั้นผมกลับไปทำก็เข้าใจก่อน <laughs> แต่มันหยุดเพราะว่าเออมันยอมหยุดจริงๆจากใจของตัวเองเพราะมันเข้าใจหมดแล้วว่าเออมันดิ้นยังไงก็เกี่ยไทั้งนั้นเนี <laughs> ่ยยอมแล้วครับยอม <laughs> คือมันต่างกับที่ดวงตา <c oughs> พาไปปฏิบัติอที่พาไปที่ mm hmm. สามาสางภาษาเราบอกสักพางบอกให้หยุดที่อะไรอย่างเงี้ย ก็จะไม่อยู่แบบงงๆหยุดแบบว่าบอกให้หยุดไม่ให้ถามอะไรมันก็มันไม่เหมือนกันมันได้ยุดเองนะตาได้หยุดเองหยุดเองเพราะยินยอมพร้อมใจนะครับโอ้โมันมันมันรวดาอลุกขึ้นดิ้นเที่ยวในนทีเดียวที่กระโดดขึ้นมาดิ้นกิเลสทั้งนั้นกิเลสตัณหาทั้งนั้นเที่ยวในนทีเดียวที่กระโดดขึ้นมาดิ้นเน่ยกิเลสตัณหาทั้งนั้นยิ่งยิ่งดิ้นจีจีจจีจีจกิเลสตัณหายิ่งโอ้โห มาซานห ล, ละเมืันเหมือนกับใกล้เข้าใจแล้วใกล้เข้าใจแล้วก็ไล่จี้ไดๆแล้หมดแรงหมดแรงก็เอาใหม่แล้วเอาใหม่อย่ากลัวไม่ใช่แฟนพันแท้งจ้ะต้องฟังทุกวันนี้ไล่จนทันรึมก็ก็ต้องทำอย่างกันมาก่อนต้องไล่จี้มาก่อนเป็นแฟนพันแท้งมาก่อนได้แนะจริงมาเออที่สุดแล้วแฟนผันแท้จริงก็คือต้องหยุด หยุดตามพระพุทธเจ้า so, ท er like ี่พระองค์หยุดแล้วที่บอกกับองคุลิมาว่าเราหยุดแล้วแต่ท่านตียังไม่หยุดเนี่ยที่เขาทําเป็นในทําเป็นรูปธรรม่ะที่ว่าองค์ลิมาวิ่งไล่ตามพุทธเจ้าเพื่อจะไล่ฆ่าพุทธเจ้าวิ่งเท่าไหร่ก็ไม่ทันพุทธเจ้าบอกสมณะล้นหยุดก่อนสมณะล้นหยุดก่อนพุทเจ้าบอกว่าเราหยุดแล้วแต่เจ้าตียังไม่หยุดแต่วิ่งฟันยังไงก็ฟันไม่ถูกพุทธเจ้าทศีวิ่งไม่ทำเจ้าทศี แต่ได้บุญบรารมีของพระองค์อ่ะด้วพุทธบารมีอ่ะวิ่งยังไงฟันยังไงก็ฟันไม่ถูกพุทธเจ้าต้องมาอารมหยุดก่อหยุดก่อเราวิ่งจนเหนื่อยหอบหมดแล้วพุทธเจ้าแต่ว่าเราหยุดแล้วแต่เจ้าจะไม่หยุดอันเนี้เราว่ามันคือเขาเป็นในคําสอนพ <c oughs> ุทเจ้าเป็นธรรมที่ออกมาจากใจของพุทธเจ้าแล้วไม่รู้จะสื่อกันยังไงธรรมของพุทธเจ้าออกมาเป็นนามธรรมาและออกเป็นรูปธรรมคือออกมาเป็นรูปที่พุทธเจ้าไอ องคุลีมาไล่ฟันพระเจ้าไม่โดนพระเจ้าทั้งที่พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้วิ่งองคุลีมาวิ่งแต่ฟันพระเจ้าไม่ถูกฟันยังไงก็ฟันไม่ถูกจะเรียกสมณะล้นลหยุดก่อนหยุดก่อนองคุลีมาวิ่งตามจนเหนื่อยหอบแทกแอกแทกแทกพระพุทธเจ้าก็เราหยุดแล้วแต่เจ้าทียังไม่หยุดเราหยุดแล้วแต่เจ้าจะไม่ยหยุดพูดตั้งหลายครั้ง อ, องคุลีมาก็เลยบอกว่าทําไมสมณะ ย, ย่อมไม่ไม่มุสาย่อมไม่โกหกทําไม เราเนี่ยหยุดแล้วตอนนี้เราหยุดแล้วแต่ท่านเน่ะยังไม่หยุดทํำไมแต่แทนแต่กลับท่านบอกว่าหยุดแต่เราเนี่ยเขาไม่หยุดแล้วทำไมมันกลับกันอย่างงี้อะไรเงี้ยแต่อุตตมะเจ้าใจของเราหยุดหยุดดิ้นรนหยุดการทําบาปหยุดดิ้นรนหยุดปรุงแต่งหยุดแสวงหาหยุดกิริยาจิตหยุดดิ้นรนหยุดกิเลสตัณหาเนะ่ถ้าหยุดปรุงแต่งก็หยุดกิเลสตัณหาหมดโอคุริบาลฟังแล้วกระแทกถึงใจอ่ะใจที่หยุด ปงแต่งหยุดดิ้นรนหยุดค้นหาหยุดอยากถึงอยากได้อยากเป็นหยุดหมดเลยหยุดที่ว่าอะไรคือถ้าบอกว่าฆ่าคนคบพันคนเอานิ้วห้อยคอคบพันนิ้วก็จะไปได้วิชาที่เลิศที่สุดในโลกวิชาเลิศที่สุดในโลกจริงอะน่าจะเป็นวิชาที่เป็นที่สุดคือ น, นิพพานแต่ต้องฆ่าคนใด้ได้คบพันนิ้วคือหยุดแต่จริงแล้วว่าไม่ได้เป็นเรื่องของการฆ่าคนเลย ไปเรื่องของการที่ว่าดิ้นหล่นค้นหาไปหาวิชาที่มันสูงส่งในโลกคือทิพยผ่านในก็ดิ้นหล่นค้นหาไล่บูธเจ้าไล่ไม่ทันพูตเจ้าหยุดแล้วแต่เจ้ามาหยุดคำนี้โดนใจกันแท้หว่าอ๋อใจที่หยุดนีด่นั่นแหะคือวิชาที่เลิศที่สุดในโลกคือใจที่หยุดถ้าไม่หยุดก็คือกิเลสตัณหาฆ่าอะไรก็คือฆ่ากิเลสตัณหา แต่รูปธรรมมันไม่รู้เป็นจริงไม่จริงอะไอ้ที่ว่าเลื่องจริงจรอะที่เขาไม่รู้เป็นยังไงแต่เราเห็นว่ารูปธรรมมันออกมาจากใจการสือ่อความหมายของธรรมะเนี่ยคือเมื่อใจเป็นธรรมแล้วเนี่ยจะเอาใจที่เป็นธรร ม, อ อ, มออกมาสอนกันยังไงอ่ะมันเป็นธรรมที่มันอยู่ในใจที่ไม่ปรุงแต่งแต่ไอ้ออใจที่มันปรุงแต่งที่เป็นธรรมเนี่ยมันจะ ให้คนมันจะออกมาสอนลูกศิษย์ยังไงมันก็ต้องพูดใช่ไหมมันก็ต้องคิดต้องพูดต้องการทําต้องคิดต้องพูดต้องตามแสดงออกมาเป็นนามธรรมาแสดงออกมาเป็นรูปธรรมเลยในสื่อความหมายในพระไตรปิฎกสื่อความหมายในในสื่อต่างๆแม้แต่รูปปัน้นอุตเทเจ้าก็ออกมาเพื่อออกหมายเหตุเป็นรูปเพื่อให้มันย้อนกลับจากรูปจากนามเนี่ยย้อนกลับไปถึงใจที่ไม่ปรุงแต่งจะทำํำยังไงตอนนี้ยเวลาคนเนี่ยในชั้นล่างๆเนี่ย มันเลยไปติดที่รูปประทรมกับติดที่นามประทามแล้วมาทะเลาะกันมาเถียงกันคือติดที่รูปลักษณ์ต่างๆแล้วก็ตีเขาสร้างเป็นนิทานนู่นนี่ติดที่นิทานติดที่รูปลักษณ์ต่างๆติดที่อิทธิฤทธิ์อธีก็มาสร้างให้เป็นรูปประทามเป็นอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นติดที่นั่นเนี่ยแล้วก็มันเข้าไม่ถึงใจที่ไม่ปรุงแต่งทั้งหมดทั้งรูปทั้งนามเนี่ยเข้ามาสื่อใจที่ไม่ปรุงแต่งพวหนังสือที่ออกมาเป็นคำพูดประไต้พิดกต่างเนี่ย อันนี้ยังไม่ได้เป็นทำแต่แฉคือทําแต่แฉ่อัที่เป็นรูปเป็นนามเป็นตัวหนังสือเป็นภาพไม่ว่าจะออกมาเป็นภาพเป็นอะไรก็ตามเนี่ยถ้าทํำหมดแสงเป็นสีด้วยเป็นอะไรได้ด้วยเดินนะทุกอย่างเนี่ยมันยังไม่ใช่ทั้งหมดอ่ะเพราะไอ้นั่นเป็นใจที่ปรุงแต่งมันพูดก็ไม่ได้ในนั้นนะมันมันสื่อมันสื่อกิดไม่ได้เราทำยังไงมันต้องสื่อออกมาเป็นเป็นรูปเป็นนามเป็นแสงเป็นสีเป็นเสียงอะไรแล้วแต่ว่าจะใครจะมีเครื่องมือสื่ออะไรแต่สื่อทั้งหมดเนี่ยแม้แต่เป็นตัวหนังสือได้ไปทั้งหมไม่ใช่ระโแชน์ที่ือใจได้ไม แล้วทําไงจะสื่อจากใจของพุทธเจ้าจากใจไม่พงแต่งแล้วสื่อออกมาเป็นออกมาเป็นนามเป็นนามเป็นรูปเนี่ยเป็นตัวหนังสือเป็นอะไรต่างๆที่เขาพยายามจะทําเป็นต่าบิดโถออกมาต่างๆแล้วก็สื่อออกมาเป็นหนังเป็นหนังการ์ตูนหนังพุทธเจ้าบาตระระโลกอะไรต่างๆคือทํำยังไงเนี่ยเพราะมันออกจากใจที่ไม่พงแต่งเขาพยายามจะสื่อความหมายเข้าไปถึงใจเบื้องเจ้าที่ไม่พงแต่งไอ้คนดูคนคนที่ไปดูรูปปัตนพพุทธเจ้าดูหนังดูการ์ตูนดูไอ้ ด้วยอะไรต่างๆเนี่ยภาพวาดอ่านพระไตรปิกทํายังไงได้ย้อนกลับเข้าไปถึงใจวุตโจงที่ไม่ปรุงแต่งแล้วก็มาเป็นใจของเราที่ไม่ปรุงแต่งแล้วก็เป็นหนึ่งเดียวกันใจของเรากับใจวุตเจ้าพระลั้งหมณ์ก็เลยเป็นหนึ่งเดียวกันเป็นใจเดียวกันเพราะคือใจที่ไม่ปรุงแต่งก็เลยเป็นใจเดียวกันเป็นใจที่ไม่ปรุงแต่งกันแล้วก็เข้าใจกันได้คือเข้าใจอุตเจ้าได้เข้าใจพระลักษมณ์กันได้เพราะเป็นใจไม่ปรุงแต่งเหมือนกันแต่พอขั้นเข้าใจกันแล้วข้าเจ้ากลับเอ่ยสือออกมาให้ลูกศิษย์ใจ่ไมรุงแ้า มันก็เลยสื่อออกมาเป็นตัวหนังสือม้างสื่อออกมาเป็นรูปธรรมสื่อออกไปมือมั่งปากบั่งลักษณะออกมเป็นกระตูนมั่งออกเป็นหนังบ้างเป็นรูปปั้นพรธเจ้าบ้างเป็นอะไรมั่งก็เลยสื่อเงี้ยมันก็เลยตีความกันไปแล้วแต่ว่าเขาจะตีความเข้าไปถึงใจที่ไม่พปงแต่งได้ยังไงพระอะหันแต่ละองค์ก็สื่อออกมาไม่เหมือนกันถึงแม้ท่านจะใจแต่ถ้าเวลาท่านพูดออกมาก็แล้วแต่ความเคยชินแล้วแต่ความสา ม, มารถของท่านที่จะสื่อออกมาใช่แล้วแต่ลูกศิษย์ก็เป็นท็อปออดมันนี่ก็กลายเป็นจับคำพูดแล้วก็ตีความ แล้วก็ตรงบางไม่ตรงบางก็ไม่รู้แหละครับ<ช>